คำนี้เราได้มาทำวัดในสถานที่พิเศษนะไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วิหารธรรมดานะเป็นโบสถ์วิหารธรรมชาติซึ่งจะว่าไปแล้วนะสื่อธรรมะถึงเรานะได้ได้ตรงได้ชัดเจนนะ โบสถ์วิหารนะที่สร้างขึ้นตามประเพณีหลายแห่งก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะเพื่อเป็นสื่อสอนธรรมให้กับคนที่มาประกอบประเพณีพิธีกรรมหรือว่ามาสวดมนต์กันในโบสถ์ในวิหารนะแต่ามาชิดว่า สื่อเหล่านั้นเนี่ยไม่ไม่สามารถจะสื่อทำได้ดีได้ชัดได้ตรงถึงใจนะเท่ากับธรรมชาติที่รอบล้อมตัวเรานะนะทั้งล้อมรอบทั้งเบื้องบนแล้วก็เบื้องล่างนะไม่ว่าจะเป็นป่าเขาต้นไม้ท้องฟ้าหมู่เมฆ หรือว่าพื้นดินนะที่อยู่เบื้องล่างคำสอนผู้เจ้าเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาที่จริงก็มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยนะสอนให้เรานะรู้จกักศีลนะน้อมใจเราให้เกิดสมาธิ แล้วก็สามารถจะเปิดใจให้มีปัญญานะได้ทั้งนั้นนะอันตรายพิจารณาธรรมชาตินะเราก็จะเห็นความนะความเอื้อเฟื้อกเกื้อกูลนะความรู้จักแบ่งปันนะของธรรมชาติการรู้จักให้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของศีล ต้นไม้นะเขาไม่เคยที่จะเอาประโยชน์นะไว้กับตัวเองดูดน้ำนะจากดินดูดปุ๋ยนะจากดินเพื่อไปหล่อเลี้ยงลำต้นนะหล่อเลี้ยงกิ่งหล่อเลี้ยงใบแต่แนวไรเดอรการเขาก็ทิ้งนะ ทิ้งทิ้งใบมาเป็นปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาติเขาก็คายน้ำคืนสู่โลกเรียกว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เก็บไว้ก็แบ่งปันหรือว่าคืนกลับมาอันนี้ก็เป็นเรื่องก็ถือว่าเป็นธรรมะนะที่เรียกว่าศีลนะ ศีนี้ไม่ได้หมายถึงศีลอห่างเดียวนะหมายถึงจะหมายถึงคุณธรรมด้ยวยกันได้เราก็ได้เห็นนะถ้าเราสังเกตดูเราก็เห็นนะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผงธรรมชาติทุกระดับหมู่เมฆนะก็โปรยปลายฝนนะมาให้กับโลกมาให้กับสรรพสัตว์ ในสาวพการก็มีภาหลายรูปท่านได้กำลังใจนะจากการที่ได้เห็นธรรมชาติบางท่านนี่ท้อนะท้อแท้ในความเพียรแต่พอเห็นมดนะมาช่วยกันมดนี่นะร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นงานยากแค่ไหนนะก็ไม่ทิ้งความเพียร ท่านเห็นความเพียรของมดเห็นของความเพียรของบอลแรงท่านก็เกิดกาลังใจในการที่จะทำความเพียรบางท่านนี่เห็นช้างนะมันตกหลม่มก็พยายามที่จะถกกายขึ้นมาให้ได้จากหลม่มจากหลมุมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันวั น, วนมันก็ไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยท่านก็เกิดความเพียร น, นะมีช้างเนะี่ยเป็นอาจารย์ อันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมหรือการได้เรียนรู้คุณธรรมจากสัตว์จากธรรมชาติผู้เจ้าก็สอนให้พระเนี่ยได้ทำตัวเหมือนกับผึ้งนะผึ้งนี่มันก็ต้องพึ่งพาดอกไม้ดูดน้ำหวานจากดอกไม้ ถ้นะ่ท่าก็ชี้ว่าเนี่ยพึ่งเนี่ยมันดูน้ําวานจากดอกไม้จต่ไม่เคยทําให้ดอกไม้นี่บอบช้าหรือเสียสีเลยเนีก็ให้ปฏิบัติตัวอย่างงั้นแหละกับญาติโยมนะก็คือว่าแม่จะพึ่งญาติโยมแต่ว่าก็ไม่ทําให้ญาติโยมเดือดร้อนอันนี้ก็มาใช้กับมนุษย์ทั้งมวเลเลยก็ได้นะมนุษย์เราต้องพึ่งพธรรมชาติแต่ทําไงเราถึงจะอยู่กับธรรมชาติโดยที่ไม่ทําให้ธรรมชาติต้องอเดือดร้อน เป็นเรื่องของคุณธรรมนะที่ธรรมชาติสอนเรานะสมาธิเนี่ยก็เราก็เรียนได้จากธรรมชาตินะที่จริงอย่างที่เราอาจจะรู้สึกสัมผัสได้นะมันนั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะความสงบสงัดของธรรมชาติก็กล่อมใจให้เกิด เป็นสมาธิได้จิตใจแล้วก็สงบเย็นเนะมื่อเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติผู้จ้าก็ได้ย้ำได้สอนให้พระนะผู้ใฝ่ธรรมนะไปเข้าหาธรรมชาติโน่นโคนไม้นอนเรือนว่างโน่นนะหมู่ธรรมนะ อันนี้ก็เป็นการพาเข้าไปอยู่ในทํากลางธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติได้กล่อมการใจสงบอันนี้ก็สอนเรื่องสมาธิกันอ่ะปัญญาก็เหมือนกันนะธรรมชาติเนี่ยแสดงธรรมให้เราเห็นนะถึงความจริงนะของของชีวิตของโลกอยู่ตลอดเวลา ใบ ไ, ไม้ที่ร่วงพาทิตตกดินนะหรือว่ารับฟ้าใปอันนี้มันก็สอนเรื่องนะความไม่เที่ยงสอนเรื่องอ น, นิจจังความเสื่อมความดับนะของธรรมชาติที่มันแสดงตัวหรือปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาก็สอนเรื่องทุกขัง แม่ก็ต้องสอนเรื่องอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนน้ําเมื่อมันระเหยน้ํามันไม่เคยคงที่ระเหยไปก็กลายเป็นไอกลายเป็นเมฆมันไม่เคยมีตัวตนที่คงที่หรือเที่ยงแท้เลยเมื่มันแปลสภาพกลายเป็นไอน้ํากลายเป็นเมฆ แล้เมฆนะมันก็เปลี่ยนนะกลายเป็นฝนอ่าโปรยปลายลงมาอย่างนี้พิจรารณาดูให้ดีก็สอนเรื่องอนัตตานะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวตวนที่เที่ยงแท้ไม่มีไม่มีน้ํำนะไม่มีหยดน้ําไหนที่เป็นหยดน้ําไปตลอดกาลนะมันก็แปลสภาพไป เวลาน้ำแห้งน้ำระเหยแล้วก็ไม่เรียกว่าน้ำตายมันเพียงแค่เปลี่ยนสภาพไปนไปเป็นเมฆเวลาเมฆที่เป็นก้อนมันหายไปเราก็ไม่เคยเรียกเมฆมันตายมันเป็นเพียงแต่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นฝนจะเรียกว่าไอ้ความตายนี่มันมันไม่ใช่เป็นอะไรนอกจากการเปลี่ยนสภาพ อันนี้มันก็เป็นเรื่องอนัตตาเหมือนกันนะคือไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่ดับศูนย์นะมันเป็นแต่การเปลี่ยนสภาพนี่นถ้าเรพิจารณาธรรมชาติเนี่ยนะมันก็เห็นทมได้เหมือนกันหลวงพอมเขียนบอกว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้แยกจากธรรมชาติเลยมันก็คือธรรมชาตินั่นแหละ และเราก็สามารถจะบรรลุธรรมได้จากการสังเกตรธรรมชาติในสารวัตรการก็มีภาพหลายรูปท่านบรรลุธรรมจากการที่ได้สังเกตแะเห็นความจริงจากธรรมชาติบางท่านก็พิจารณาดอกบัวที่มันตูมแล้วก็มันก็ร่วงโรยท่านก็เห็นนะถึงความเป็นอนิจจังของสังขารแล้วก็รู้ว่าสังขารนี่มัน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่มีตัวตนที่เท่งแท้ไม่สามารถจิตยึมัน่นถือมั่นอะไรได้เลยจิตท่านก็หลุดพ้นคือท่านปล่อยวางพอปล่อยวางก็หลุดพ้นบางท่านเดินทุดดงเห็นพยับแดดนะก็น้องเข้ามาใส่ตัวเออตัวเรานี่มันก็ไม่เที่ยงมันก็พยับแดดเหมือนกันบางท่านเห็นหยดน้ำหยดน้ําค้าง ชาตรูแต่พอสายน้ำค้างก็เหยหายไปท่านก็เกิดธรรมสังเวช น, นะพอน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าเราก็เหมือนกันนะมีชีวิตเหมือนกับน้ำค้างเท่านั้นแหละความยั่งยืนของชีวิตมันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆเหมือนกับอายุของน้ำค้างหรือว่าพยับแดดในขณะที่มนุษย์เราต้องการ นะอยากจะเป็นอมตะนะอยากจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะแต่ที่จริงแล้วอายุของของของคนเรานี่มันสั้นมากนะมองในแง่ของของโลกแล้วนี่ไอ้แปดสิบปีหรือร้อยปีของคนเรานะมันก็มันสั้นยิ่งกว่าอายุของน้ำค้างสิกนะมันเป็นแค่วูบเดียว ของของเวลาก็ได้นี่เราเราพิจารณานเนี่ยเราน้อมใจยอยู่นะเปิดรับธรรมชาติเนี่ยการที่จะเกิดปัญญานะีที่ช่วยทําให้ปล่อยวางช่วยทําให้จิตเป็นอิสระก็เกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันเรื่องเราพูดกันเรื่องการดูกายดูใจนะ เพราะว่ากายกับใจเี็นของจริงเมื่อเรามีสติดูกายดูใจนะรู้กายและรู้ใจนะเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปต่างๆนา น, นาและการที่หมั่นดูกายดูใจมันทำให้เราเห็นความจริงของกายและใจซึ่งช่วยทำให้ปล่อยวาง ทำให้จิตเป็นอิสระได้แต่ที่จริงนอกจากการมีสติดูกายดูใจนะการดูสิ่งนอกตัวก็ก็ดูได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยแต่ไม่ใช่ดูแบบส่งออกนอกถ้าเรามองสิ่งนอกตัว และมองเป็นเนี่ยนะก็เห็นธรรมะได้เหมือนกันพระพุทเจา้าไม่ได้สอนว่าให้ดูแต่กายและใจเท่านั้นนะข้างนอกนี่ถ้าดูเป็นนะถ้าดูเป็นก็เห็นธรรมเหมือนกันนะอย่างที่เล่าตัวอย่างมาหลายหลายตัวอย่างที่ว่านะเมื่อพิจารณาธรรมชาติก็เห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เหมือนกัน อย่าว่าแต่ธรรมชาติเลยนะแม้มแม้ไ ม, ม่ใช่ธรรมชาติแม้จะเป็นสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยถ้ามองเป็นนี่มันก็ส่งเสริมธรรมเหมือนกันนะอย่างในสถรราบันก็มีสามเณรคนหนึ่งชื่อสามเณรศุกรนะเดินตามพระไตรบุต ร, นะระหว่างที่บินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นชาวนากําลังทดน้ําเข้านา เดินไปสักหน่อยก็เห็นลูกช่างธนูนะกำลังกำลังดัดลูกธนูกำลังดัดดัดธนูเดินไปสัไหน่อยก็เห็นช่างไม้กำลังถากไม้อันนี้ก็เป็นภาพธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสาประเด็นสุกมอแล้วก็พิจรารณาแล้ ไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่ยังสามารถจะดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นธนูไม่ว่าจะเป็นไม้แล้วคนเราซึ่งมีจิตมีใจล่ะทำไมจะดัดแปลงฝึกหัดดัดแปลงให้มีประโยชน์นะหรือว่าให้เจริญงอกงามไม่ได้ก็เกิดความเรียกว่าเกิดความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะฝึกตน ขอภาษัิบุตรนะกลับกลับไปไหนกลับไปวัดนะเพื่อจะได้ทำความเพียรก็พกว่าสามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันได้ในเช้าวันนั้นนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ของภาษิตในธรรมบทที่พูะเจ้าตรัสว่าเนี่ยชาวนาทดน้ำเข้านานะช่างธนูกผาาลูกศร ดัดลูกศรช่างไม้ถากไม้ส่วนบัณฑิตย่อมฝึกตนคนอาชีพอื่นนะเขาดัดแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยดัดแปลงตนเองหรือฝึกตนเองอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพาสิทธ์ซึ่งมีที่มาจากสามเนร น, นะที่ฉลาดในการมองนะ สิ่งธรรมดาสามัญเนี่ยสามารถจะมองหเห็นเป็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นะการมองการมองภายนอกเนี่ยนะก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายนะหรือที่ว่าจะมองอย่างไรนะมองด้วยโยนิโสมัสิกานนะนะคือรู้จักมองเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์นะพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าให ให้มาดูแต่กายกับใจเท่านั้นนะถ้ารู้จักมองสิ่งรอบตัวนะมันก็เกิดธรรมะได้หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็ท่านไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเท่าไหร่นะท่านก็แค่เรียนนักธรรมแต่ว่าการที่ท่านจะอยู่กับธรรมชาติก็ทําให้ท่านได้ได้เห็นธรรม เคยมีพระผู้ใหญ่เนี่ยไปทักหลวงปู่มั่นนะในทํานองตํตาหนิว่าไม่ค่อยอยู่ว่ า, วาท่านเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่วัดเป็นหลักเป็นแหล่งหนังสือก็ไม่เรียนเอาแต่จ่าริ็กทุดงเข้าไปในป่าพระผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ถามหลวงปู่มั่นว่าเนี่ยท่านไปเข้าไปในท่านจาเล็กทุดทุดงคนเดียวในป่านเนี่ยนะ มีกัลยะาณมิตรเนี่ยคอยแนะนำสอนทำท่านหรือเปล่านะใครสอนท่านใครแนะนำท่านหลวงปู่มากก็ตอบว่าออพระเดชประคุณอย่าได้ห่วงกัง่วห่วงผมเลยนะเพราะว่าในป่านี่ไม่ว่าจะเป็นมแมลงจิ้งรีดนะเลไลช้างเสือนะนกกระรอก พวกนี้เป็ น, ปนมิตรนะที่เตือนสตินะกระผมตลอดเวลาแม้กระทั่งใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกันหรือว่าต้นไม้ที่ใบไม้ที่เขียวแล้วเปลี่ยนเป็นเหลืองนะแห้งเหล่านี้เนี่ยนะนแล้วแต่เตือนสตินะกระผมตลอดเวลาให้รู้ว่าเป็นมาจากไหนและจะไปไหนนะ ก็คือเตือนสติเรื่องความไม่เที่ยงชีวิตนั่นแหละอีกคันหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยสําหรับผู้สําหรับผู้มีปัญญานะธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยานะ่าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยา่านั่นถ้าเรารู้จักมองสังเกตรธรรมชาตินะธรรมะก็สามารถเจริญองอกงามในใจเราได้ไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นปัญญา ที่จริง ไ, งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมองหรือพิจารณาอะไรมากก็ได้เพียงแค่ทำใจให้เป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราทำใจให้ว่างทำใจเปิดกว้าง <c oughs> วางความคิดต่างๆลงเนี่ยเราจะซึมซับรับอะไรจากธรรมชาติได้มากมายนะทั้งความสงบความเย็น ความโปร่งรุ่งนะความเบาสบายนะในความรู้สึกเครียดนะก็ละลายหายไปเกิดความผ่อนคลายขึ้นนะแค่นี้เนี่ยก็เกิดประโยชน์แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้การที่ความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้ น, นคนเราเนี่ยในชีวิตประจำวันก็เกิดขึ้นได้ยากนะแต่ธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถจะ กล่อมจิดหรือน้อมใจเราให้เป็นอย่างนั้นได้ยิ่งเรามาอยู่บนที่สูงเนี่ยนะันเราก็จะรู้สึกโปร่งเบาสบายนี่ขนาดตัวเราอยู่บนที่สูงเนี่เรารู้สึกสบายอย่างขนาดนั้นนะถ้าใจเราเนี่ยอยู่สูงด้วยนะมันจะยิ่งเบายิ่งสบายกว่านี้มากทีเดียวใจคนเราจะสูงได้ก็เพราะนะเพราะศีลเพราะสมาธิเพราะปัญญานี่แหละ ตัวเราอยู่บนที่สูงได้เพราะนะเราปีนเขาแตนะ่ใจจะอยู่บนที่สูงใจจะอยู่สูงได้ก็เพราะเนี่ยคุณธรรมนะเพราะธรรมะนะพอใจเราอยู่สูงแล้วเนี่ยมันก็จะเบาสบายโปร่งโล่งถ้าเราสามารถทำให้ภาวะที่อยู่สูงมันเป็นไปต่อเนื่องนะก็เรียกว่า เป็นสุขทุกขขณะเลยนะแต่ว่าถ้าเรายังทําไม่ได้อย่างน้อยก็พยายามให้ให้โอกาสการะแจ้งเราในการที่จ ะ, จะยกจิตขึ้นสูงใหส้สติเนี่ยนะความรู้สึกตัวนี่มันช่วยได้มากทีเดียว น, นะในแง่หนึ่งก็ช่วยทําให้เราปล่อยวางอารมณ์ความคิดและความรู้สึกต่างๆที่แบบกุศลแต่ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่ามันยกใจเหมือนก็เป็นฐานให้ใจด้วย ถ้าเราตั้งจิตอยู่บนฐานรู้นะฐานรู้คือรู้ตัวจิตเราตั้งอยู่บนฐานเนี่ยนะจิตเราจะอยู่สูงอารมณ์ากุศลต่างๆก็เข้ามาครอบงนเราได้ยากอย่างที่เคยเปรียบเทียบไว้แล้วว่าการมีสติก็เหมือนการนั่งหรือการยืนอยู่บนหอคอยนะหอคอยมองมาที่นะแม่น้ำก็เห็นความเป็นไปของน้ำโดยที่ไม่ไปค้องแวะ ด, ด้วย ไม่มีอะไรจะมาค้องแวะมารบกวนจิตใจได้เยอเวลาอยู่บนที่สูงนะม่หอคอยหรือบนหน้าผาเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรได้กว้างและไกลทัศนวิสัยเราจะกว้างไกลนะเราจะมองเห็นชีวิตได้นะได้ได้แจ่มชัดนะถ้าเราอยู่บนพื้นรามเนี่ยมันมองอะไรก็มองสั้นนะมองสั้นก็ก็พลอยคิดสั้นไปด้วย คิดชั่วคิดเพียงแค่ประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ถ้าเราอยู่บนที่สูงเราเห็นกว้างมองไกลเนี่ยเราก็รู้เลยนะว่าเราควรจะทำยังไงนะกับชีวิตของเรานะไม่ได้มองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าแต่มองประโยชน์ระยะยาวถ้ามองกลางมองกว้างมองไก ล, ก, ล, ก, ลก็จะเห็นนะั้นว่าในสุดคนเราก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดมองแบบนี้ไม่ไทาให้ห น, หน่ากลัว แต่มันทำให้เราเกิดความไม่ประมาทแล้วเกิดความขนนขพายนะมันก็ช่วยทำให้เราเนะี่ยมีการเตรียมพร้อมนะแล้วก็ใช้ชีวิตนะด้วยความใส่ใจในธรรมเพื่อทำให้เรามีความสุขทุกขณะและเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลา จ, จากโลกนี้ไปนะก็ไม่มีความรู้สึก วิตกวันเกลงอะไรแล้วก็ตามถึงแม้ว่าพวกเราพวกเราเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ได้ได้ง่ายนะเพราะว่าเราก็อยู่บ้านบ้านเราอยู่กรุงเทพนะแต่ที่จริงธรรมชาติมันก็ไม่ได้แยกจากเรานะธรรมชาติเราก็ยังสามารถจะสัมผัสได้ ถ้าเราเพียงแต่มองเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นท้องฟ้าถ้าเรามองสังเกตดีๆก็อาจจะเห็นดอกไม้ เ, เห็นพุ่มไม้เห็นธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแม้จะอยู่ในกรุงเทพแต่ถึงแม้มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตึกนะแต่ว่าธรรมชาติภายในใจเราก็ยังมีอยู่ธรรมชาติของกายและใจมันก็สอนในเราได้มากมาย ธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในก็ไม่ได้แยกจากกันถ้าเรามองนะให้เห็นธรรมชาติภายในอย่างแจ่มชัดเนี่ยความจริงที่แสดงตัวออกมาก็ไม่ตา่างจากสิ่งที่ธรรมชาติภายนอกบอกเรานะเป็นอันเดียวกันก็ให้เราได้นะอย่าลืมธรรมชาตินะ แต่ธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าภายในภายนอกเนี่ยมันมีประโยชน์เมื่อเรารู้จักมองพิจารณาและปัญญาจะเกิดาคำนี้ก็พูดกันสั้นๆตท่านี้นะ